แม่เขาออกก็คือร่มบวกร่มรับประทานอาหาร่งที่เป็นของแข็งก็คือเอาขีดินมาบวกดิน่งที่เป็นของเหลวก็เอาน้ำบวกน้ำที่เป็นของอุ่นก็เอาไฟบวกไฟิ่งที่เป็นของพัดไฟมา ก, ก็เอาร่มบวกร่มมิตรเดีย น, น้ำไฟร่มบวกกันด้วยไงที่นี่ร้านกี่เลตขันว่าละกลับไปบวกกี่เลต ด่าความหลงเข้าไปบวกหลงด่าปัญญาเข้าไปบวกปัญญาด้านศีลเข้าไปบวกศีลด้านสมาธิเข้าไปบวกสมาธิด้านชั่วเข้าไปบวกทั่วด้านดีเข้าไปบวกดีคนเฮาทำบุญคู้อายุคู้คนก็ทำบาปคู้อายุดืวยกันแต่ว่าทำบุญฉลองบุญทำบาปฉลองบาปคือเก่าห่านอกจากบุญไม่มีอะไรจะฉลองบุญนอกจากบาปไม่มีอะไรจะฉลองบาป บาปควรบาปบุนคุณ บ, บุญพราะกรุงเทพไม่มีว่ายู่นี่เชื่อมือขึ้นยกมือขึ้นพราะกรุงเทพมไม่มีรอบรอบไม่มีว่าพกรุงเทพเน่นะครับพวกคุณก็มีนเะนเขาเป็นคนภาคอีสานนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฟังออกหมดแล้ว <laughs> <laughs> ทั้งผัวทั้งเมียฟังออกแล้ว ขันว่าให้เห็ดไทเห็นรลายเห็ไทยเห็นหห น, หหหน้อยก็ได้ในโลกเนี่เห็นมิตรธาตุดินกันแผ่นดินด้วยวันพี่ชณะดินไงมันเสมอการเคื่อนหาของใส่มืดโลกเลดในโลกเนี่ยพี่ชนะน้ำพี่ชนาน้ำไงมันเป็นน้ำมืดโลกนะในโลกนี่นมดดนนนยมิแต่รมมาถึงพี่ชณามันจะเป็นร่มมืมมดเสมอกันในโลกมิตรไฟกับพจ่รณามันจะเป็นไฟมืดในโลกเนี่ยมิตรคล้องวอมอนบ์พัทยังวัน มีแต่ของตักะปงโสมม่าทานมีแต่ของมีแตะหากระดูกมไนได้ลองเลกับพีาย่ามันแต่มิทหางกระดูกดูกับินมันก็แมนตัวเดียวกันวิตระสระอุกับสระอิศตัวนอสกุตัวก่อตัวัดเท่านั้นกับสระอูดูกบินกันเดียวกันแต่ถ้าพีาย่าลงดินนะเป็นดินน้ำแล้วเป็นน้ำไส้ลงเป็นไฟร่มลงไปร่มหรอกคปัญหาของเขาเขาไม่ร้ายไปไหนได่ถ้าน้ำเข้าข้อเขาเป็นอันอื่นไปอันที่ไหนข้าสำคัญว่า แม่นธาตุดีน้ำไพรร่วมประชุมกันเป็นกายเรียว่ารวปเทียมมงอหาก็มันสิดขึงยังขึงยังแห้งที่เหร่หมู่ห้านะเราพิจารณาว่าดิน้ำแพร่ร่วมนรอประชุมกันเป็นรูปเลยเหลวว่าถันเหลววัตถุข้นในนึงก็ทีแตกสลายไปนะท่านว่าเมื่อน้ำมันในเจียงถังเท่าพิจารณาท่านขี้เลรก็ไม่จะขมว่าไก่ไปไหนได้ห้องของมาย่องพิจารณาได้หระเฮ้ยมึงไหนกินเองพาะว่ามึงพิจารณาท่นก็ด้สนะความหลงเจ้าของอะไรอ่ะ เข้าพราวนาเข้าพระสนะควบหลงก็ถือแพร์ควบหลงกันนี่แหละสมัยในวันทีถือแพร์ยังเนี่ยถึอแพ่ควบมลงของพรเจ้าของไปของมั่นเดียวเนี่ยเออเราไม่ไปถือแพร์ยังนี่นี่ยจะไปถือแพรพืําแพรพนี้ผแมงนเนี่ยซุ่มพ้นเพาแพรควบหลงเจ้าของพนพนเข่าสูงพันพาดเน่พนะควบลงพนคือพระทหารเนี่ยมือเทาควบหลงขี้คออยู่น่จำไว่าปฏิบัติสินท่อ้ไหนควบหลงมมีอำนาจวนนด้เน่ ขสาสัตวมันไปบางไงที่พระปฏิบัตคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณท่านคุณศีลคุณพระวนาเป็นบางข้งบางข้าวเนี่งพมื่อตาบางพีตีตาบางนองนี่เลยมองสัตว์นะาถิมตามขยะีมาขันกวยแห้งไปบังไงกวนี่นี่คิดใจพระมโหเน่ยมองสัตวว่าอาบน้ำจะอาบยืเสมือังเม้นสายคิดใจว่าพระวนาอยู่เสมือแห้งเขามาไหลกิเลสอ่ะองสัต บ่ได้นึกถึงพระพุทธพระธรรพระสองค์นึกเอาแต่ อ, อือน่นเอาแนวเดือดแนวห่อนว่าเป็นอาหารแนวมันเยน็นบ่าเอามานึ้เป็นอาหารแห้งไปบังไงาล่ะบ่ข้ามันเกิดเยอะเสมอเฮ็ดบุญย่ำเนื้กัดสบุญสลองวัดเกิดขึ้นกันข้ามันตายเยอะเสมอตายจากเสาสายบลายเตียงเฮ็ดบุญย่ำเ น, นก็เรียกว่าสลองควบตายเยอะเสมอว่ออางั้นตายจากวัดเวฬาเนีส่วนชีวิตเท่านั้นตายไปจากวัดเวลาร่วงไปรงไปเนี่ย สนจิตใจเข้าพยออใหายตายจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พยอมบหายตายไปไซนี่โอ้โหท่านเอาโหลดเวลาวเวลาที่ล่วงไปก็ล่วงไปแต่จิตใจ่อยพรวงนี้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไซจะเคลือผูกขาดจองขาดด้วยีร่ระลึกได้รึกได้กวดีมักวักวนอยู่โหลดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มักขีเะปากขีเสทองขีเสดังกระซาทรมไร้ไข้ชิ ม, มุกใสกระซา นี่สมมติเราเป็นบุคคลาธิฐานน่ยสมมติเป็นธรรมาธิฐานก็เป็นแนวหนึ่งพุทธิเห็นถ้ำพุทนั้นเห็นเล่าอันนั้นถ้ำก็เห็นทั้งบุคคลาธิฐานเห็นทั้งธรรมาธิฐานเนี่ข้ามาประสูติก็เป็นบุคคลาธิฐานนี่ยยกบุคคลเป็นที่ตั้งเลยหรือยกวัตถุเป็นที่ตั้งคข้ามาภาวีไนย์แต่ยกบุคคลเป็นที่ตั้งเข้กันคข้ามาภาปนมัตก็คือมัดเข้ามาหาใจว่านะยกไใจเป็นที่ตั้งเลยยกขณะจิตเป็นที่ตั้งตั้งเรียกว่าภาปรามัต คณ ะ, ดณ ะ, ดณะิดพริกไปทั้งสั่คณะคิดพิกไปทั้งสี่คณะคิดพิกไปทั้งโลบทั้งโกทั้งหลงสันจัดเขาในประมาทอ่ะบุคคลบุคคลก็เป็นส ม, มุดบุคลญญาภันติบุคคลก็ส ม, มุิบุคคลที่เป็นพระสวสดาบาลบุคคลที่เป็นทักษะข้ามมบุคคลที่เป็นอาณาค้ามมบุคคลที่เป็นพระหานอันนั้นบุคคลได โลกุตระมุคม้นตามกุขค้นั้นลกวาเป็นมุคลลกกมคลในโล ก, กีมุคคลในโลกีก็มีหลายสันพอรัติถือต่างๆกันนลยผู้ถือศาสนาพูดก็เป็นพูธไปผู้ถือศาสนาเส้นก็เป็นเส้นไปผู้ถือศาสนาอื่นกัเป็นอื่นไปก็เข้ากันว่าในสนิดพพพเพราะก็เห็นวคือกันตัวยิ่มให้กันยิ่งทางนอกกันแต่ทางในอย่างว่าโลมดเราพ อ, พอบอกกันได้กัน่ะ สง้ามในแใ่โลกทานมันก็สงฆามความเห็นนั่นแหละเมื่อข้อมเห็นมาถือกันกับเอากันัตัวเมืนอขมเห็นมันถือกันเนี่ยเพราะเชั้สันมันบาปเพชรชัสี่มันบาปขาดั้นรักษาบารุด้วยในการในการมันบาปนั่นมันก็ว่าเป็นสง้ามกันเล้วรัขนไม่มีสีไม่ท่ำอย่างมันสุกคนมันว่ามีสีไม่ท่ำอย่างมันสุกคนเ่จะว่ามันเป็นสงฆามกันชั้นทั้งหลายคือกันสั้นในนมดำในดินบินในอากาศยัดไพเป็นเว้นไพต่อไพมาแต่พบได้สาสตว์ได้เอากันยู่สอำนา เมื่วันเมื่อวันสิลวศิยานไป่ะกบกบเขียดกบกบงูกินกันเยอะซ้ำนั่นกัวจะเปียนมาไนเป็นค้นว่าเปนของง่ายง่ายเมื่อเข้ามาทั้งข้นแล้วครัระวังว่าหามันขาดุนโซตาที่สุดเกิดอีกซาลาใครได้เป็นค้นน้ำเพนไปเป็นเพดเป็นผีแล้วครับไปต๊กหมอนรองวกกจะปีกขึ้อนมาไหนอีกโอ้ยไม่สักท่าใดล่ะอายุในหมอนรองกกับว่าเของหน่อยอายุ ในสตที่าตก็มั่นคงน่อยอยไดมนุษย์ก็มั่นงน่อยกบตายชาตนี่เกิดชาตินาอีกสั่นขันันถึงพระทรดาวันมัดกลุมันเก้านาแล้วบางที่ก็ถอยหลังบางที่ก็หยุดอยู่บางที่ก็ก้านาเพราะายบางที่ถึงสุปฏิันโนลังก้านาจะพื้นระาเาไม่ถอยหลังละพอถอยหลังกลุ่มกลุ่มพรนไหนถือถือหงมมาสั่น ตายดาวย่งงอว่าดีเพราะว่าอผู้ใจมันเห็นแล้วเพราว่าคือเฮ็ดงานมันเห็นทาสีแดงแล้ ว, ลวมันกับปวดที่เฮ็ดงานวด้งานมันกับมัปวดได้เฮ็ดงานวันงานมันจะปวดคืบเสียมตู้ๆนะ่ะต่เสียงยาก็บมปวดคุกรยุยคุกยอยู่ ฉันไดคือกันนี่มมีปัญญามันกับพวกปวดได้พิ่ยานาอย่างคือเสียบพวกเขานะนั่นก็เท่าเงานอนงกงกไดแล้วกับรับเอื้นหาพอทนตัวพอพอทตัวแม่แม่ทตัวทำภาวนาเพราะท่านดูนี่มาแล้วครับแค่เออสมควรแล้วนะกรับกอดองตัวคำว่าสนใจเนี่ยทำว่ารับงานเลยแน่로กูมานอนอยู่รุทชานเพิ่งได้เลว่า่น กูมานอนอนอยู่นลามทานเพิ่งเนี่ยข้อมล้มของกูน่ยมันเป็นเพืชนเป็นไฟมาเผากูอยู่นี่พระท่นข้อมหลบข้อมกดข้อมล้มของกูเนี่ยมัเป็นเพืชนไฟเผากูอยู่นี่มันมีกระเม็ดขึ้นเนี่ยกูใช้นอนใจอยู่ได้บอกว่ามันเตือนเจ้าของมันกับว่ารับงานแล้วมันบอเตือนเจ้าของได้กินก็กินได้ยู่ก็อยู่ได้นั่งก็นั่งได้นอนก็นอนมันไปยังมันยังไปทั้งสั่นก็เพราะมันอาบนามหรือ วาอาบน้ำดู็คืออยัางเมืนน่อนึงไปในทางธรรมะดูเรียกว่าอาบน้าดูคือร่างกายนี่ยมองเห็เุเหตุเวกจะงายแล้ว่าไปอาบน้ำไมนกับว่าใดอันเป็นพา ย, อยุอาบมือหนึงไปกับพ่อส่งตัวมือนึ่งท่านอ่ะท่านนีน้คือกันยึดใจห้อยอยู่ห่างเหินจากสิ่งท้าพระองค์ชาวบงดูเนี่ยคำก็ไปบางไงญาติจะเป็นหายเข้ามาบ้ามันรัวอันเมื่อเ น, นื้อเข็น ท่านเห็นสีนเห็นภาพอานาโมเห็นนึกเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นั่นอยู่ไปอะไรล่ะมาคนเห็นกันปัญหาเห็นกันแล้วแล่กัดกันโคแกลโคเกงล่ะของท่านเห็นท่านคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมันจะไม่มีประมาณผู้ข่าวพอถือว่าพวกนี้เลยคุณพระพธระธรมพระสงฆ์เต็มบมีวันว่าหาประมาณมาไม่ได้ในโลกก็ได้ในนอกโลกก็ได้มันขึ้นอยู่กับคิดกับใหญ่เฮาแล้ว คือาษาิในปฏนอ่นพินนาไปทั้งททิบทแดนยอพินนาไปทิบทดแดนแท้พร่านว่ามป็นวายที่ทัี่บอกพาะั่านไปฟ้องพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าว่าบาราเพื่อนวายพระอัตชิดอกพระท่าพระอระอัตชิประเทศเพื่อพระในพระโสดาบันย้อนนะเพื่อนปสิรับสีนอทั้งหลาเพ่น่วายไปทั้งพระอัตชิเหมือไวาแต่พระองค์เจ้าพระท่าเพื่อนนอไปทั้งไร ขณะนียังขาวพระ อ, อาทตยสิจีนอนนไปทางไหนนางทางไหเวล่สิรพิณนอ่นก็เป็นหัวไปท่านั้นไหวพระพุทธพระทัมพระสงฆกับวายเล่าอีกวายพระอาทิตยอีกกับว่าด้วายทั้งพระอาทิเลยกับผู้โทษทัทโมสังโฆเนี่ยพระอาทิตยก็เป็นสังโฆคือกันตัวนีุ่ <c oughs> <c oughs> คนผู้นักนการวาย บุคคลผู้นั้นจะมีอายุยืดเยืนปนแล้วจะเกิดนภพได้าศาสตร์ไหนจะอยู่ตระกูลสูงกันเกิดตระกูลสูงเพราะเขา้ารเพราะนักทั้งเขา้าเราบุคคลผู้ปนักท้าเข้าเราเกิดตระกูลตำ่ำาแ่เนว่าแลาา้วพระมคัลลาทาเลวุบุพกรรมเป็นยังพระเจ้ได้เกิดตระกูลตำ่ำผู้ขาดค่าพระเดถามผู้ว่าอาจารย์ได้เคลียยาเพื่ อ, าอ ถ, าาาา ถ, ถายกันี่สามกน รกภูมมหาพระองค์หนึ่งถามรกภูมมหาบอกว่าโรคเพิยมพระใจไปรบไงมันโรคไร น, นอมันจังค่อยดีไหมท่านพระองค์หนึ่งถามรกภูมมหาโรคเพียมพระใจไปรกไงแต่มันโรคไห น, นอมันจังดีไหมท่น เขาหอยจากซื้อพะท่นเขียนหนังสือมาหาเพื่อนะเพื่อละแค่ท่อมแค่ถูบข้ อ, ขอตกซิวซะท่านแล้วจับไนับผาค้นพาะท่นนี่โลกเหมันจั่งดีวราสัตพระวานยัว่าพระกรรมฐานแม่บ้าเปลี่นห่วงพระไตรปิฎกพิบายั่งทางนอกของพร่นกับพระไตรปิฎกกับนังหู ม, มันยู่นเน่วท่านมันเป็นอย่า ง, งเชิบโมบังพระกรรมฐาน มันสมาชเป็นห่วงเป็นขว uh yep ั่นก้าพเจ้าไปรบพ่ายหนอกรอดขยัแแถว่าสันเพลินวันรบภูมมหาบัวเฮ็ดหูบซะสันเฮ็ดหูบคนใช่หรเฮ็ดหูคนหัวลนคนจับคนดอกซิวสันเนี่ยรกพิมีมันช่งดี่าสันถ้าเขียนจดมาให้ปัญหาาสันรบภูมันกันไงฮะป่วยโยะป่วยู่หันนาฎิกาอยะคนหนึ่งองค์หนึ่งหันนาิกาจอดจอดอดโย พัน์จอดไปเท่เฮ็ดยังมาฉันหันหน้าริกาก็น้อยมาฉันขืนพระเทิงที่คยพรคุตติขันข้อฮะเนี่ยนี่เนยว่ามันหน้าลิการบกนี่เนยว่ามันหน้าิกาบอกันนนแห้งดอกค่คอยๆนี่เยว่ามันหน้าิกาบอกอยงม่เบิงมาันตีตายยังมาหันหน้าลิกาจอดจอดเรียนอยู่ว่าฉันทตายพแห้ฉัน กะหันหน้าดีใจเขาใช้พระมาหน้าไปยังสัตวตัวหลวงปู่มังค์เคยได้ยินเด็กเที่ยวบาหมูตัวเคยได้ยินเด็กเที่ยวบอกมูตัวเคยได้ยินเลยพระองค์หนึ่งไปไปวิเวกกับขึ้นมา เป็นยางไรพระคอ่าสั่ไปพ่เภกมาสั่งอ้อยอาหารปรอยุบอยาขอสั่งผู้สอนข้าเจ้ามาฟังเทศสมุทรสมุทเจักงใดนี้มาสั่งอ่ะบานกัหลายพวคน่าสั่ สีว่าของฉันทั้สัตวเราเจ้าอะไรท่านั้นแหะว่าแล้วบางเลยสิบเอ็ดสิบสองมัดขาอะไเ่ยนะว่าใท่านั้นแหะเจ้าอะไรเกดเดี๋ยวว่าโอ้ยขอน่อยพระว่น่าเป็นทั้งสัตว์เดวมันไปหอดทังสัตวนแะมันทีเป็นยังไงพ่แม่ผู้จ่านเก็ดเดี๋ยวว่าสีว่าของฉันที่ฉันเหลือก็ตัวแล้วไปว่าเอาอันทั้สัตวมาอวดเพลินนะสัตวเป็นรอ่ารงผู้มานเคไดยยิ่งหมวงมูตุนะ ดูในวัดในว่าเนี่ยเอาเรื่องสีกระไรยนีสัมมายูหรือแนวเรื่องมาเบาจะบอกว่ามันมันสบอกเรื่องสีเได้นีว่าท่นวัดเพลนวัดของผืนตั้งยุหาปีทุกขาท่านเนี่ยไปอยู่นสี่ปีมองเห็นพวได้ป็ดสีเลหันเนีจักคน่ะเพื่อได้อยากสีก็บลบออกไปทางอื่น ไปเที่ยวไปสิกทั้งอื่นซิกาวัดโม่เีรับบวชกรับบวชยากฝืดๆด้วยหลวงพูมันบันด้บวจนายคือมูอเฮาเนี่ยมือเฮาเนี่ยมือบวชเขากามาไว้ก้อนแล้วมือซิกเข้ากะก้อนเฮาแต่บ้านเฮามีสิทธิ์เลยเป็นตะซุปเป็นตะเป็นต่ไนท์เธอได้หลวงพูมันสมควรชีบวชบวดเกิดอยู่กับเพนเ เาหนักไปลองคอไปอะไรยห้รถคอยกามีตากันตัวสมควรอยจะบวดเจ้าได้อยจิบจวัดตั ว, ต ว, ตวนัวรร่นว่าสมควรบ่ชคอยอาไว้สักคนตัวนั่นมาห้ามือสิกเจ้าข้าแดงเอาหามือบวชเจ้ามาแดงเอาวะนั่นคอยจะเป็นกรรมกรเจ้าสัตัวเคยได้ยนินเชื่อเปบ่มืตูมาหาขอรดหน้ามังสเฮ้ยเก็บใจพระถึงมาพุทพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็มัดกับมารถแถมมัดถึงมันก็บมดถึงแ ล, ล้วลูกหลานเหนอยไปทั้งแล้วก็เอาขันหนามาสักหับ่งเดินกองพดเจริลไปรอดมาถ่ายทับทา้าทับท้าคือมือห้าวเลยเทศกอนวันมือห้าเนี่ห่วยม่เจ้ขาัดสวดยังเจริญวาตาดุลแล้วพวกมันนะทับทา้าขี้ระคไปรอดท้าของพวกไฮ้เล่นะเลนเล็กนะฮ้หต่แทะเลขกพวกขันไม่ได้กี่ พิสูเป็นมอยากับผ้หาเ พ, พราะแคตามเพราะเวียไน่เนี่ยเพราะเพราะบวงควรเขาคายาเขาพิรูรถดน้ำม้อนกับผ้าห้ขันร้องเป็นวนเข่าคายาเขาน่หายห้ารขันทันนันทนิบาทขันทนนีทน้บาทเน่ยขัดเอาเงินมาทีไปซื้อยามาปัวบ่ได้ในเพราะเวีไนหรือปัวหายแล้วรักษาหายแล้วที่เอาท่านันที่เอาท่านีข้เ ท, ท่านันนันทีบ่ได้เพระเาะวี่ ถามเลยทำาม่เป็นรัดท่าก็ไปป่วกเขาอะนะก็ไปรักษาเขาอะะส่วนนัมมคือกันคาเทดามอน ใ, นนใ้เขาเล้วยอธิบายเขาฟังได้ยังให้เขาตี๋ก็เพียงแค่นั้นนะกับทรัพย์อีกนัมมพอเอาข้างเมืองเวสซารีมาเนี่ยข้าเจ้าออกมาอ่างพระพุทธเจ้าลดหน้าเมืองเวสารีพ้นตรงลงมาหายพระอานุ่นไปข้าเจ้าได้อ่านั้นมาอ่าง ก็เพิร์ดเสียวย่าเปิดน้ม่อนหลายยานพระแอบขิดให้นะม่อนเพิร์ก็ว่าจะเปิดยานพระแอบขิดเนี่ยไม่้ไปนร้างยาหาเจอปวกข้นถ้าจำเป็นในแท้เสียให้เขาเพราะฉะนั้นจะวางข้นเขาขายาเขามาะนั้นนำม่อนก็คือกันเพาะฉะั้นเขาหายยังก็ไป็นเรื่องของเขาเขาบหายยังก็เป็นเรื่องของเขาว่ราฉนันแล้วไปเอาเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเบอร์บงเบียนหามขาดเลยพระไม่ได้ของบระ อาขาเ้าสีบอกเลกเยว่าเนกระซังวาแต่เจ้าไม่เกตนาบอกเจ้ากับพิษหลดศีลน้องเจา้าบอกสัสิบอกได้ควบฝันกนระซังสบอกได้ใบกิริยากระซคารควาได้เจ้าไม่เกตยรติหน้ า, า, า, ามาก็เป็นพิษศีลเจ้าโหลดพระเน่นคือกันตะปะเขากันไม่ซี้เขอกันนั่นเทาพุทธศาสน์ มันขึ้นกับเจตนาในที่คารบอนีงซึ่งไหนไมาที่เจริญพระองค์เจ้าเขาบอกเขาโม่เขาเหมือนอะไรแม่มันยานหม่เขาได้ดีว่มกีดขวางวาเจริญเสร็จมันดีมันกติบอกไว้ท่นตัวลูกหลานเด้อแคท้าหน้าเนี่ยขายเงินมาขายเอาเงินมาเรียนโบกันเพื่นกิบอกไว้ท่นตัวพระองค์เจ้าขายมาเรีนเบี้ยกัน เรีนแท่กันเร้อสันพระกเลยาโฉพก็บอกข้ออบเลยว่ามีมีเน้คำพี่ไหนเนคำพี่ใดๆกัมีเน้อคำพี่หายบอกเวทนั่นบอกสันดูสานมูห่อยังงี้ดีเลยอบายยมุขคำพี่ใดก็สร้างห้เวนมัดอบายยมุขหายอกสันพระกัลยาโฉใดๆมาบอกผอมกันวัดอันเดียววัดมรัดแป่แก้ไขวามเมากนการข้อมซีบ มือเหากับเดินนะมันถูกการเดินการข้องเสียบถื อ, ถอเราเมื่อกับพระวานาเมื่นกับป่อยเลยการข้องเสียบว่าถือเราพระวานาว่าป่ไปเมื่อก็ถามเมื่อกรู้ปอยพระส้มเนเร็กเลนฐานดลนวัดเลนเบอร์ขัติว่าถึงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเคือเามึ่แล้วเท่านั้นแหละปถา ม, มื่รู้สัญญมมนโยมคือกันนะ่ะพระคือ ก, กันน่ะเผื่อวมอร่อยยมุก แตว่ามุกขามุกขาเจี๊ยมหายยะเสืองหนา้าเสืงปากมันต้องจว่าอบับายมุกมุกขาอับแยว่าหนาว่าปากเนี่ยนักเลงหญิงนักเลงสุนานักเลงเลงการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรเหยียดข้านทำมันงานในทางที่ชอบอบายยมุกเหมือนเนี่ยมือเรื่องโคไว้าขายเรื่องเป็นเรื่องไก่ไว้เชียนขายเรื่องโครเรื่องกระบือไว้าขาย เครื S <S <PA> ่องดักสัตน้าซันบกไม่มีในพระสวดาวันในเฮือนเพิร์ลโมมีเครื่องดักสัดน้าซัดบกในเฮือนเพิร์ลโมีเพิโมเฮดต่อไปเต้บูกเต้เต่าเพิลบอกมาฟังตัวของเพิรลโเฮดเครื่องดักสัดน้าซันบกบูมีมีแต่เนี้ยเอาไปปล่อยปล่อยปลอยไอริ่ามันปล่อยโผด่ระขาเคื่องมือห่อ มูอเหาว่าเอาไปโพดเอาไปมันขามเหามหันตัวใส่ชินใส่ถ้มูอเห่าสะหันตัวแา่ใส่ใส่แต่เงินมันว่าไรได้ไปบวรอดได้ต้องหันตัวใส่ินส่ถ้มันจะพอจะอยู่ชิ้นหาบมีพอสามตัวแล้วเงินมันจะไนเช่พันล้านมันจะคอยหาเอา ทั้งรักย่หันทั้งตัวก็ย่หันทั้งเเลก็ย่หันอันพวกเหรียลนี่เข้ามาว่า้าสิอยากได้ะนะจะมือล้าน่ะเขาอวยว่าหข้าเจ้าไดมือล้าเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินคนก็บมยย่างข้าเจ้าก็สิ่ล่งเและเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินคือกันเป็นเขาใดซ้ำหนั่งมาของกันนี่พดิเทียงกันพวกกาเียเป็นน้เจ้าเนี่เป็นน้ำา เ, เนี่ เ, นน เ, เพราะว่าตีกันมาลึกมึงพืชคอนเนเตรางว ขว่าพอสองมนุษย่แมนของงานแต่มนุษย์สมัติก็ยังพรันหูจักที่ปหจักสวรรค์สมบัติยังไหนอันนี้สวรรค์สมัติหจักสิไปหูวจักพมสมัติ ย, มมตยังไหนพมสมัก็ยังหัจักสิไปหูจักพระนพสมบัติยังไหนำาควบเดียวกันเลยอ่นี่นี่ท่าไปนะมนุษย์ นีท่าไปสวรรค์นีท่าไปพุทมรรคไปพรนิพพานนี่ท่าไปตรงอารเนี่ท่าไปมนุษย์สมบัติเลนี่ท่าไปมุติมนุษย์ด้วยบัตรท่านเลยนี่เบิกบุกบัตเบียบมู้นี่นั้นท่ามนุษย์้วบัตวั่านเลสวรรค์มันกับเยบัตเน่ตัวพุมันกับเบัตนตัวเอามสมุติว่า เป่ามันเป่าม่ดยวยจังหวะอุดรเหมลอนเราพวกเขายรื่องเป่าเอาด้วยจังหวอุดรเหมือนเราให้เขาไปชี้ไปปืนไปทั้งนี่ทา้งนั้กระสนไปทางนี้มันถือว่าเป็นลัดที่อับก็บอกหอดพุ่นถ้านอาจรยก็ถือว่ามันหอดพุ่นบ่มันแห้งไกลไปแล้วมันถือว่าถือคำมันว่าถือเราก็ไปบบไงจ้ะสร้างหอดนะจะมนุษย์สมวัตกับว่าถือ อมันรู้สมบัติอันอามายมุกขันเว้นนั่นเพรางทีอยากได้สวรรค์สมบัติมันจะได้ได้เนี่ก็ได้บ้างว่ได้บ้างนะบางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างอ่ะเพราะมันมันคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันมันได้อยู่เรื่อยวันเ่ะมันเป็นถมบางคนหัวพระโสดาบันเนี่ยเอามาใช้เท่าไรก็ฆ้างก็หันวันเถอะอันตับก็พระโสดาบันงมากมันเป็นคู่หัววันเถอะแต่ท่านกับท่นหรื่าท่นกับอะไรที่มัน พระกัดเอาซะยันพระก็เป็นห่วงหลายห่วงเลขกันพระกันห่วงเลขได้เนี่ยห่วงเลขหลายก็ห่วงพระสวัสดิ์บัณฑ์ที่ว่ะเลขเสนนั่งขัาศามีห่วงท่าชิดหายหลายก็ห่วงท่าห่วงเจริญควมเจริญเอาควบพิจายเป็นเสนนั่งข้าศามีเอาควบเจริญเป็นสนนั่งข้าศามีควบเจริญเป็นสนนังข้าศามีก็คือถึงวันพุทธภาษทั้งกระทรวเกเวทอบายจะมุกตัวอือ ซึ่งไหเขาบ่เสียดายจะรวมระเมิดมันสิอยากไงยังซิ่งไหเขาเสียดายจะรวมระเมิดมันก็ของแงะเขาบ่เสียดายจะจับไฟในหันเขาสิตแลนไปจับบ่สันเจแล้วคนรักษาไหวบ่สันบ่แล้วนั่น เ, เดียวกันคือปัสวะอุจจารนะเขาบา่เสียดายจะเอาขึ้นมากินแนททอง ห้าสิ่ในระว่างยากว่าแถ้าเขาบอกในละว่างแล้วถือมันเพลทยังจังบนในละว่างเงาถือมันว่าเป็นประโยชน์ถือไปทางชิบหายสิ่งเดียวอบายยมุขกันน่ะถ้าเท้าถือไป็ทางดิ้งทางชิพหายสิ่งเดียวจเท่าที่กับประเด็นในยังกันอันนี้มันมาเถียงระเจ้ายันที่ว่ามันได้อยู่ที่ละกอมันนั่นข้างนอกหลวงมันคลองดยนี่เี่ยก้อนสี่ยมนี่ไปไปคลองด้วยนี่เชื่อผมข้อปอบข้อสอบปอกแท้ตีด้วยนี่ก็ไปว่าว่าสูงผุนมักผลนในภาพ มไก่กันเยออนคกอเกิดไก่คือเพราะว่าน่ะไก่สนอสองเจิงน้ำมุ้ยเจิงน้ำผักไก่กระโดข้าวมือกุกงโเห็นเพราะว่าน่ะเดี๋ยวมาทางนี้มันจแย่พาะทางนี้เลกระโดดเี้ยวมาทางนี้มัแยกเพราะทางนี้กุ้งเห็นแล้วผหวังผนทุกนายวัตรทุงสารย่าจะไปเนเลขเอ้ยกาผู้หวังจะเกี้ยงตกอสัอาคาขอสอาขาจนกบจักวาแล้วคันทิตต์ ตาบาตาฟางเกินไปนั่นพระเจ้ามิวาเมาไหรแล้วกูเขาไม่สิทธิ์จะพูหนึ่งผมว่าดีตาคดีผมได้เป็นบ้าบายเสียรีริพิมษมโนสั่กูที่ใจถึงทังเวทมึงก็นะกูใจถึงจ่ทั่งเหรียมานั่นและว่าสั่นก็ว่าเรียสันนบอใจถึงทั้งเวทเวมึงได้นานใจถึงจะทั้งเหรียนั่นใจถึงทั้งเป็นขีขาขีเหรเจ้าของ ขอมันใ่หันขอหันขับหลังหันว่ามันตบได้พอะแห้งเหหน้าเดินว่าแ่าะกีเด็กี่เด็ดว่บ่มสมองได้พระแหงเหรอมันลางสมองเพระแหงเรอกีเด็ด่ะใช่หันขวาหันมันบอกแลนกับเล้วหนตัวถ้ามันจีบหายว่าเพราะกรหนจักเพราะกันว่าตัวสลัด ดังเป็นแเป็นแงบาวบัวหอยขนาด้เลยเ ร, เรียนเรียนจนถึงประเดนยาเลยกัยังมาเรีนเลขด้ว่บวชจนสิ้นใยังมาเรีนเลขด้วไฟเคียดหัวแลยกัยังมาเรียนเลขอยไ่ได้เงื่อกีถือว่าตัวเป็นกอนตลาดหรืข้าวบัวหอยเยเหรสู่ข้าวบัวงูมาได้ข้าบัเหรียญหอข้าวก้อน ง, งมูโตตลาดรหรื่าตเลรีซะเออว่าอย่งบบางเขาบกว่ได้หยอกได้สิวา ผูก ek, ก็เรียกก็พะผู้ละคนบาตดออกดากรผูร้เอาบ่อกะแก่ห้องมู้นน่ะผูก็อ ม, มัดบอ่อผู้ละคนมว่าไม่เงี้ยวก็ไปผูกเอาวาทันอย่นี้เสียงไม่เงี้ยวไปผูกเอาวะทันผู้ละคนไมก่กระบะแบบไงเออนะว่าเป็นบ้าบมด ข้าววเป็นบาเสียพอบาตขาวยกขรบาทขาววไนเสียครือมืลเนล่ซึ่งใดข้าละาาาาา ว, าวั น, น, าวาวาว น, นขาบว่เอามาเบายืนยันซึ่งใดข้าละไหวข้าจังเบายืนยันึ่งใด้ดาพันย า, ยามละข้าววาจัมาเอามาเบายืนยันซึ่งใดโต้วงอกับนับทราบวกาพัยามละบอกอามาอันซิ่งใดละได้แล้วแห้งบอกแ้งข้าเรื่อยๆพระพานนี่ละได้แล้วพ่นแล้วจังบอกแห้งได้มหมมือผมไม่แพ้ พักที่เอาอยาพิษมาใชน ก, กับพ่กเขาพระทีตัวเข้าบอกเล็กกับช่างเข้าบอหอดพยานเข้ามีหลายอยู่นังซื้อห้องเขียนไว้ยุคนัตตาแ ต, แตกผมเห่นบอกแลัวสือทุกเรบ่อมันตัวผ้าหน้าพุทธโทกเพ่าะ ไ, ได้บุญหลายเลยพุทธโทษเพื่อไปสวรรค์ได้บุญหลายเติบพุทธโทษเพื่อไปพบมาโลกได้บุญ พุโทโธเข้าไปพระเนปาลในบุญหลายกมงพุโทโธกพร่สิไดเรกในผานลคหนัวละหกกันท้โม่กันกันทั้งโคกกันหกก็ใช่หกก็คิดจากของอ่านั่นรับไปหวังอยากฝันเห็นผู้บ า, าอาจารย์ช่วยกับทนทุกข์ในะวัฏฏท้องสารอันนั้นควัวปรารถนาอานนั้นในบุนหลายนะ่ะน่าไปอยากฝันในผู้บ า, าอาจารย์มาบอกเรียบบอกผานั่นมลหก จะฟันไปมหกันเข้าไปเบิ้งลิงก็บอกมันเขาสีเป็นลิงเข้าไปเบิงคางก็บอามันเห้าสี่เป็นคางเข้าเอาพื้นเลขก็บอกมันเขาสอยากเรียนเลขเ้าบอกพื้นกินข้าวแรกก็บอกมันเข้าทีอยากกินข้าวแลกครับเรื่องส้ามันก็บอกว่ยังไงเลยนะสร้างบอก เขวนหน้ามู่เฮาพุทโทษว่า้ามาเลีนเรนเราเลนบ้านเรีนเบือเลยอ้าโม่ก็ว่าผ้ามาเลียนเรีนผาเรีนบ้าเลีนเบือเเพรา้าว่ากินเราเมายาเลยถ้าโมก็ช่องวัยซึ่งเว้นอันมู้นี้เลยพุทโทษเป็นของสูงจึคอือกันนะถมาโม่กัโคอันที่สู ง, งต่อเพนถ้าเจรวรบาดทสูงทรงต่อภริพา น, น, น, าออพานาเบดนะโมก็หอดภริพานไวเกันหอดภริพาน อาเสวนาจะพ้าน้านั่งยาครบคนพ้านเะนคนว่าพานในแท้ก็คือผู้เขาสู้พระนิพพานเลยอ่ะนั่นปัญริตานั่นจ้าแต่ยัครบันทิตได้ถึงก็ครบพัดพระนิพพานหมนมาาปัญธิตก็ยุคพระนิพพานหมปุชาจะปุชคนี้ยานั่งเลยสันกรบปุซามรรคพันธนิพพานทุกขุพัฒนพระสงค์หมนจะไปบูซากียรตเท่าลรอเป่ปฏิตูรูประเทศสภาสอยใจอยู่ประเทศอันสกวลเลยัน กประเทศยึดประเทศใจห้องเฮ้าแห่มันเถื่นพระคุณพระทประสง์ท่านศีนพาวนาตัวเข้าใปหาประเทศไสอีกครั้งพเพรยัตตาปุณนะตาหุวคพ่อเี่ยท่าบุรีคมดีไว้ในปาง ก, ก้อนยนะใครมาเป็นปาง ก, ก้อนดีกันไม่จิตไม่ใจห้องตัวไปเ ท, ท่ารีมาแต่ปางกอนก็ได้สรรีทับทิมมาแต่ปางกอนคือกันอ า, าสัมมา น, นิชิตะว่านันตั้งตนไว้ที่ชอบแห่งท่านศีนภาวราหั่น เอาตามังครมุตะมัง่งอันนี้เป็นมุงค้นของเทเวดาในมนุษย์ทัาายท่า น, นรไปแแเล็กแต่ผ้าแตะวัดแต่ตเบอร์เยลเอตมัง่งคะรมุตะมั่งมาท่สสาวกถ้ามีจะหาตำ ม, มึง่งผีตำ ม, มึง่ทงท่านเนี่ยมันเสีย ม, มาแล้วก็ะพ่ อ, อยทั้งตัวนั่น ขันติจะซยจัตตาให้อดทนนะครัปว่าให้อดทนในการละบาปประเภทบุญว่ามันอดทนในการท้าหน้าท้าสวนแลการท้าการท้างานอดทนข้อมอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะครัลว่ามุกข้สิพุนข้อมอดทนกับข้อมเพี้ยนเดียวกันคำนันมันมีเพี้ยนมันก็บมมีอดทนมัมีอดทนก็บมมีเพียนสิสาเร็ีกยมขประสงค์ในสันไหนกับข้อมเพียน เขาสิสมประสงค์เขาเนี่ยส้างควบครัวเขากัเพี่อนคือกันเจ้ามันห้ผลจางกันเพื่อนรักศกยกคอมันเขาก็เพียอนอะไรอยู่กระทั่งเลียดอยู่เจ้าหาผลจางกันเนี่ยเป็นทุกข์ไงเข้าไปเห็นใจใครเจริญในหลานเอาคุณสาเนี่ยจะได้ยินว่นาโดนตัวหันจะเป็นเศรษฐีพ่อสารเข้าไปเห็นหูเแล้วานี่นัน่งสื้อเพียมเข้าไปเห็นหูคุณสาแล้วก็เห็นว่า วอ้ย เ, เ, กกเรยเยียบเห็นตาหูก็ญปไปตาเหลีอยมใสนักศิวาไรหูตัวดีไปไหนวะทันก็ะบวาหรอกหูกตัวอะไต้องออกพุทสศากับไว้จักรอกควบโซ่คนควบสัวเป็นเจ้าโลกได้พญามารก็เป็นเจ้าโรกควตโซ่กันก็เป็นแต่า้าเ น, นี่ยทันเลยมาโรกบาปีมามาโลก่ากปีมาเอง ก้คนดีต้องจังเป็นเจ้าจัเป็นผู้สูงข้าโลกไรก็คือพระุทธเจ้าเนี่ยขัน่าภญมมั่นดีพระยามาั่นซังโม่ได้เป็นพระุทธเจ้าสันนั่นแต่แค่ก็พระองค์เก่าพระมโรคผู้หนึ่งพระขนมบ่เลือนผู้ขาร์ทั้งเลว็วทั้งฤทธิ์ทั้งเดชนี้ยังไม่สันอ๋อไปหาดอกไม้นดผล ไต้ลูกทานมาแข่งกันพอวันที่ไปพระพุทธเจ้าออกมา ก, ก่อนแล้วเออแม่ท่นเข้าสีหาเข้าไปเรื่อโตให้ตัวไปหาด้วยแม่ท่านสุนสดโตเรไปเรื่ยใส่เขาเห็นบัดเดี๋ยนี่แม่ท่นเข้านะ่ะต่อพอเห็นเข้าได้กันเข้าไปเรื่อยนี่แม่ท่านหาแนบไปห้อยที่พ่อยเดยนบ่ลงพ่อเจ้าอะไร ข้อรมเพาฉันยังเราะฉันงออยู่หัวเนี่ยตายกูไปหายใตายเพระังออยู่หัวนี่ราฉันงออยู่หัวคนพระข้อร้มตกไปโยส่่ะหมายองออยู live, ่ห no ัวนี่เดียเพเดียคัทบวันประนจยอมพระเจ้าวัดเหระเข้าบวบใบยากาศนั่นเรอยอมเยแล้วยอมพระพุทธเจ้ามองมามดแล้วข้างไสที่ข้าจะเริบัดข้สอนพระพุทธเจ้าว่ามี่ สอนทั้งสคาราวาก็จะริ่อารขับสนอนพระพุทธเจ้ากอกว่ามี่สอพุทธศานานี่เห็นไหผลท้าพระพุทธเจ้าก่มี น, ม น, น, ม น, มมน่าจะพระพุทธเจ้าม่พระพุทธเจ้าจะพวกเดียวนะสอวัดคารวะาาาวาก็ได้ทำของคารวะสิสัจจะสัตย์ซื่อแก่กันธรรมารู้จัดข่มกิตของตนขันตีอดตนจาขาสสัขศระสิ่งของ ของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างสิ่งห้าประการนี้ก็เรื่องหัสควรรักษาเป็นทิศประพุทธศาสนาตระกูลอันว่งคัางจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพรา ะ, ะถานสีไม่แสวงหาพระสรู้ที่หายแล้วไม่บูลนาพระเสรู้ที่ขับข่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้ตงสัตตดีหรือบรุษทูตินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังเขยดำรงตระกูลควรเล่นสถานสี่ประการนี่สี่เผยมาบอกไม่เฉพาะองค์เจอาละบอกผู้เดีย ว, ว, วถ้าไปสวรรค์ ก, ก็บอกวัดถ้าไปสวรรค์มีเท่าไรก็ทั่งไปพระเนาลก็มีเท่าร่างไรบอกสิ่งไหนไปสวรรค์ได้สิ่งนั้นก็ต้องไปพระเนปาลได้ไไกัน ชิงไหนไปพัพนภาพใดรอดชิงนับตกลงมาแต่สวรรค์วางั น, นคือห้าวิไปมุ่งกันแล้วห้าวบวะแพร์พักบาก้านกลางกัได้อยู่ห้าวกลายไป้าบวแพร์บรวแพร์พักในพมกระซังห้าวมันกลายไปวางกันเพราะเ น, นี่ยที่บรยุหันนี่เกิดพันภาพขึ้นกันบวะแพรมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติ ไป พ, พระเนปาลรวยอะไรขึ้นกันแพงหอดไวหวครับอะไเงี้อนั่นก็ขอบวออายขยันไม่ขาดทุดนี่แหละวออยายยักผ้าเสียทีไปข่าผ้าเสียทีไปฆ่าคื อ, อยังไงโหนเกิดมาเป็นมนุษย์น้ำเพลนหลุดไปสางได้คยข้อมซัวใส่โถ แดี๋ยววาพลาดเสร็จ <Enjoy> ท <sleeping>. ี่ไปฆ้าอืมข้าวให้ท่านกับมันข้าวของเพลินข้าวรักษาศีลกับมันข้าวของเพลินข้าวพระวนากับมันข้าวของเพลินเข้าไปสวรรค์ในพานกับมันข้าวเพลินที่อ่ะเนี่ยข้าวขี่ข่านนั่งเว้นข้าวรักศกก็คอข้าวเรียนโบกเรียนเบี้ยขาวขี้ข้าวพลกมันข้าวของโตข้าวขี่ข่านกับมันข้าวของโตข้าขี่ทุกขี้อ่ะขอท่านจินกับมันข้าวของโตอีกทันตัวเนี่ย ข้าวไปมรรคกับมันข้าของโตอีกคนที่อะนะข้าวขาซัดซักชีเว็ดกุนะข้าวเยนสูสูมี่สูผัวหมดเมันข้าวของโตซะข้าวลงมารคก็บมันของโตแล้วข้าวสู้ผู้พนเวีนเพื่อข้าไปสวรรค์ ALLY, ah. Half Half Half Mid POL, like นี่พาดดนักวางเนของโตเฮ็ดเองข้าวอนไรก็ได้ในท่านกัไมนท่านทานั้งนีทั้งัวกับมันโตผู้เฮ็ดเกิดวัผู้มาเฮ็ดไห่ผู้ไป่ห้องมั่นวางกันนะ ชีพจรของตนกัน ก, นกนเสียมคือภายในผ่านว่าเดียวขันยังว่าถึงภายในผ่านกับว่าท่านไหนมีบ้านอยู่ในมูฮั่เนเท ว, วโลกพุทธมโลกเป็นบ้านสัวข้าวมนุษย์โลกกเป็นบ้านสัวข้าวซัดโลกเป็นบ้านสัวข้าวเลยก็นั่นทุกข์ก็มนุษย์อีก ทัพย์ในนาหกอีกทุกกรมนุษย์ไปอีกทุกทั์ทั้งหลายอีกจังว่ามนุมนกกษย์มีบานม่เพื่อนจะก้นได้นี่ปัญหาหัวบาศนะ ม, ม, นะม่ห่อม่านเ่ผลทุกข์ในวตาทองสารปัาหัวบาเนะแล่นโในวนตาทงสารแล่นไปมนุษย์แดแล่นไปสวรรค์แดล่นไปเพิ่มมรรแดเทวโลกแด เล่ ไ, ไ, ปไปสัที่สถานแดแล้วก็เล่นไปเป็นเปลิดสูรากายแด่เล่ไปสัดนรกแดเข้ามาแดเนี่นนนน ย, ยวา <c oughs> ่ า, ม, า ม, ม, มันเหมือนหนึ่งเหมือนึงเยัต่งหลายล้านปีเดเออแต่แด่ละแด่เนี่ยอท่านว่ามันเกข้ามาแดมาแดนี่ยว่ามันหมือเดียวเดียวเนี่มีห น, น้าที่เดียวี่แดนึงแดีดด่งหลายล้านปีอยู่เลยนั่นมองท่นานว่าเนี่ย พูดโตมู่เฮ่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้นั้นเป็นไท่คั้วผู้นี้เป็นไท่เคี่ยก็เป็นไท่คั้วตายมดาคนตายในโกธาตนี่รัยนตายโาน่พมีบ้านมีเมืองเที่ยมาเกิดแก่เก็บตายอย่างน้มันยูวันจีนกบพวีเป็นไท่คั้วบดน่ยไท่แขกบดเน่ยไปหอดทั้งบ้านทั้งเมืองกัแม่มีถึงแต่พระอรหันท์นล่ะก็พระสวสดาบันิใมุ่งไปแล้วฮะพ่อบ้านนะพวกพ่อพวกเจริญ่ะ พระสวัสดบาลึ้นสถานีหนึ่งละพระเจ้าค่าข้ามีขคืนสถานีสองพระอานาคาข้ามีขคืนสถานีสามพระอาหารหันต์คืนสถานีสี่ไปซื้อตัวนะแล้วตีตัวประกับอีกกันนี่เขาสู้พเนภาลเลย ตัวม่เฮ้านี่มันตัวอีรีเอร้ อ, รอยตัวให้แต่ของวนเวียนอยู่ในวัตตาลสารนี่เมื่อไปคือเพินปุถุชนคนนาเนี่อาจจะเอาชิ้นหาประจําใส่กระยานตายอ่ะนี่ ย, ยามาได้สิแตกแมนบอกยอดกุอ้วนกินเตะเซาขับเที่ยงอะไรอยู่จะกินร้ายไปบไบนี้ คันทีเศร้าเรกปัญญาณมือกุดเนี่ยมันกับว่าใกล้แล้วว่าใกล้พระสวัดาวันกระถึงเต้สัดดันสวดเาอยู่กันเลสัวขากันนี่อยู่ยงกันสร้างว่า ทิพไพรไวดด้ว่าเดี๋ยวเสีย น, น่ะพ่เจ้าอันนี้เข้าว่าเอาเข้าว่าเอาเดี๋ยวนี้เขาจะปันน้นไอเสียเาเสียนตายบ่เพราะโรคป่วยป่เขาจังเสียเอาเขาก็เอาท่าเปียงคว่ามันคำนักว่าพู้ได้รักษาศินหาสินแปดคนพวกนั้นทิพไพรไว้ว่าไม่ได้ดจริงอย่างนั้นกะพระพุทธเจ้าก็ตัวคนไหนไปทุกไปยากไปตายตัวสร้าเอาแถอคือที่เป็นที่เพิงห้องลงได้บ่พระพุทธเจ้า งอาัก อ, าานนาอก็เอาซะเพียงนะมันนัดแต่บอกเอาตัวกระเวี้ยนซะแหลกไปเลยฮอนเจี๋ยพวกหาวัดมาสอนควมามพระเนี่ยปาหน้ากับปาหน้าน้ำพระที่หน้าค่ะที่หน้าน้ำพระสอนความเนี่ยนอรับล้างไปคุเฉ๋มมุมบ่บ่บอยู่คุณเูมมณ <laughs> เอาอันนู้นสก่อนนะพี่นอ้องให้บรนท่าอันนนี้ได้ยังไงพัอดออกซะก่อน สวนพระท่านแล้วจะเอาหน้ามาพาพลวัตถีพระท่านแก่กลดจะทับศัพจนมาอาจารย์พลวอันเดียวกันนะครับสินหาคำพ่ะท่านใดที่ว่าสูงไปตายยังก็รอแต่เล็กพระท่านเราเ่อนเพราะฉะนั้นพะ่นบอกไปก็เสียตรรมาเสียละเล็กเระเศร่นเ้บศ้าทนนี้ท้อไป พระโพเจ้าสอนมูเฮาตัวมันมาค้นพิบาวมันมาค้นบาปเสียจริตผิดมนุษย์พระไตรปิฎรกร่วมลงเส่ใจนั่นแหะยอดพระไตรปิฎรกคือใจนี่ยอดพระกันไตพปิฎรกก็คือใจที่เป็นบุญนั่นเองเมือโตจะไปยอดหายยอดกันพระไตรปิฎรกใส่เอกวายห้อยพระบาทก็คือกันมือโตจะไปวายใส่เอกชื่อวันนมาลีเกพูดเขาสืวรนนมาลี สุวรรณพัาเตสูเขาผูเขาสุวนรณวันพุธสุวรณกูเตผู้เขาคิดจะกูดอันนั้นยกไหวใช้เก่าใชกระมอมน้ำมาท้าวันหนึ่งยะโหนกบุลี่หนึ่งห้อยพระบาท ต, บ ต, าต้องเยียบต้ใจห้าเนี่ก็เอาใจก็วายถ้าเอาใจวายแง่ไหนก็เรียก ว, ว่าวายห้อยพระบาทด้วออยแม่หนึ่น ห้อยธานุ้อยชิน้อยพระวนาพระองค์เก่าก็เงียบแค้พระยาขี้ตลาดมาเลยเดี่ยพวกเอศจรดจะไปธาตุยัง่านเราเขามเาไปหากิ้เองคือเฮาแค่บุญสมอนี้พวกนักกินเขาไปหาขีนเองพระพระเจ้าใส่เราให้เขาแข่ง้างออกอันเดียวกันนะบุญมาห้องสขนาเท่าแปทับซับว่ขนาดเท่าเฮ็ด บาปยาไรก็เฮ็ดบาปสดชดย่ำนั่นแหละขณะเฮ็ดบุญยาำไรก็เฮ็ดบุญสดชดย่ำนั่นแหะเาอกแต่มันก็สดยิ่ในหัวใจเขานี่วางได้นั่นบุญนั่งปั่นเขากี้มาสันปันเขากี้ของนา่งปูน่าท่าสีาสันก็บอว่าจะปันเขากี้แล้วเขาหนึ่งเข้ากับย่างในในท่านนี่เขาต่มเข่าหงมมันเข้าในท่านวัตสุอันตุเนีเราเข้ากันดียู่ตัว่าสันตัวว่าจะเขากี้แล้วเขาอื่นเข้ากับในท่านยืนน อนันของเวนี่ปวดซะขาโลกันย่างอันใหญ่ปวดทำไมไม่ชีหาทำไมีม่ชี้หาบางรูปบานจักรลอยข้อบางรูกับฝนว่ดต๊ถือตามได้ดูการนะี่ฝนว่ดต๊ตามไดดูการนะี่ก็ข้มันสนใจเพราใหญ่นี่ทางเลืกหลายหัวหอพระกับมัน พระกำเเรนกันกบมันพระกัปเรนขี่คังพระขี่คังพระขี่คังเป็นถึงทั้งทั้งเนียงติสมือมาท่ น, นมิผาลาสองกับว่าขาดมาท่นเพื่อนว่าผู้ปัน่นพระขี่คังเฮ็ดบุญพระขี่คังล า, ลายไปบอกเลขสู้มือเนียตัวมายอมมายอมเป็นพระขี่คังถูกมาบอกเลขเลี้ยเป็นผูกเอาไป ร, รับร่องเล้ คุณได้จากคนทุกข์หาพระวาราในโลกนะพวมีพูดไอ้ไม่จะก่อนทุกข์มมแจะไฟแดงโลดอยู่ม่กิเกลียดวะท่านเลื้อหาเพิงไฟก็ไบบม่ มีแต่ก่องไฟเต้มโลกเลยไหมฮะมีทัพทหารจำพวกเดียวพนไปแล้วพระสวะิ์บัณฑข้าม่เห็นาขาม่เห็นหาพเร็าทุกข้องเขาลมหายใจเขาออกผู้อยักคนจะกองทุกข์หาพิ่เห็นาของบ่เทียงของ้อมเขาลมหายใจเขาออกทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งัฐบานทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปนีตหาพิ่าห็าอันไม่ใช่ท่าไม่ใช่พุกคนผู้นี่กิจสูงกงโมได้ผู้นี่ พิจายณหาอนัน ต, ตานี่ว่ามันชัดว่ามันบกคร่อทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเอาตัวศีลเอาตัวสมาธิเอาตัวปัญญาส้มใหญ่เนี่ยเอาการพูดอนิสัยแก่ข่ามาเลยอ่ะกานผู้หวังผลทุกนสสายพุทธศาสนาในพปัจจุบันนิสสัตต์ต้องพี่แยา่าอันนี้การผู้หวังเพราะจะเป็นนิสัยก็ต้องพิจาย่าอันอื่นผูวังผลทุกนายปัจจุบันนิสสัตต์พิ่แย่าอันนี้มันรักโกมูผู้พ่พอหน้า เพื่อสิวังพ่อเ พ, พราะเสียเมตใจทั้งนามุ่นก็ยินดีทำธา น, นทุทนนำศิลธรรมภาวนาสุ่มนิมิตนิมอยมุ่นก็ได้อยู่สุ่มปีติกอบเอี่ยวใจมุน่นผู้วังคนทุกข์ในปัจจุบันนี้ศาสตร์หลักต้องพิจารณาที่จังทุกครั้งอานัตตาแล้วเห็นจะทุกข์ทั้งนั้นเลยผมก็ร้มให้ใจเข้าออก จางที่พ้นง่าย น, นั้นแหะลูกระเบิดทํา้ายความหลงลูกบังง่าย ห, หลางคําว่าทํำจิดแท้วางทํำจิดแท้ว่าคําว่ า, าสําคัญว่าจิตเป็นตนมาสําคัญว่าตนเป็นจิตจิตกระว่างเท่า น, นั้นแล้วคำสำคัญว่าตนเป็นจิตจิตเป็นตนดูนะมันก็บัว่างจิต่ะ มันผม่พู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของอย่างนี้มันเสี ย, ยว่างอย่างไหนอีกพิจารณาผู้ลูกให้มันว่างะนะท่านคันสัมคันเอาผู้ลูกเป็นตนตนเป็นผู้ลูกโยมมันกลับว่าว่าผู้ลูกกันแยกออกจากตนตนกัแยะออกจากผู้ลูกซะเอไว้คนอาทางน์ซะนั่นธรรมาสัน้นสูงวัฏฏธศาสนาอะไรเนี่ยร่วมศีลร่วมสมาธิร่วมปัญญาปัญญพุ่นละ รวมมหาสมาทิฏฐิสังฆโปว่าจากับมั่นตัวอาชีวาวายโมสถิติสมารถขึ้นตปพุ่นบ้านเนี้ยสัตตัางายหลงยยศิประการของบะเทียงว่าเป็นของเทียงคือสกอุลนรากายเท่านี้ของเป็นทุกข์ผันเสือของเป็นสุข คือสกุลแลร่างกายเท่านี้ของสปกปรกโมมสมมผลสาคัญว่าเป็นของสวยของงามก็คือร่างกายเท่านี้ของโมเมนตัวโมเนตน์ตนก็ผลสำคัญว่าตัว ต, วตนก็คือร่างกายเท่านี้คนว่าตนกติยากแก่จะเก็บไปตายให้ยังแต่ตนเมื่ออยากตายมันฝืน มันฝืนเข้ามาต้นเข้ามาต้นจงอยู่ในอำนาจมัดพลังงานสัตว์นี่มันมันตนที่จังอยู่ในอำนาจเท้าพลังงานสัตว์มันฝืนสัตว์่าให้แกมันแกว่าให้เก็บมันเก็บว่าให้ตายมันตายว่าให้เปื่อยมันเปื่อยว่าให้เน่ามันเน่าเข้าอยากให้มันเน่าสัตว์ของเงี้ยอดเขาหนี้บอเงียวฮอกฉี่เข้ามาเนีออกมากเลอยากให้มันหอมคือให้เป๊กไงนั่นแม่งั้นสัตว นั่นนั่นเพรว่านั่นเรามันเป็นอนัตตานะมันมาอยู่ในอำนาจวาสนาเข้ามาคำว่าเป็นอัตาาาาาตาเข้ามาวาสนาขีเข้ามาตดวตนเข้ามาวาสนาออกอากาูขเจ้าอาแทรกกับบัตรถึงกับกแดดกับดังเนี่ยมันออกจากา้นย่งนย่บัรถึงกับดังเสียวะไอย่างไรส กรใจต้ก็เป็นผู้จัดการนั่นของมัสวยว่าง้ามว่าสวยว่าง้าวมาท่นของมันเป็ตัวเป็นัวมาเปตัวเป็นต้วนีว่ยมันหลงซีนี่ซีทะเลนี่ว่านะทะเลผู้เขาสิ่งเนี่ยมันขวบว่าไรยุ่นซึ่งบะเทียงเสื้อเป็นของเทียงเนี่ยผู้เขาหน่หนึ่งซึ่งเป็นทุกข์กระเทือเป็นของทุกขนี่ผู้เขาหน่หนึ่ง ขามภูเขาสิสุเมรขามทะเลสุเมรีสิวาทะเลก็แมน่นชีวาโลกก็แม่นอันนี้วาอมิทชาตัญหาอุปทานก็แม่นเนี่ยซึ่งมันเป็นธาตุดินน้ำแพร่ร่อมปัจจานนั่เป็นท้องโตคือพมมบผลละฟันนั้ำเนงกระดูกกันละ มันหลงพิสดาลยังหลงออกไปอีกวิว่านขันเท้าหลงตาเท้าก็บหลงลูกคือกันสิว่า้องได้กันขันเทาว่าหลงลูกเท้ากับว่าหลงตาอ๋อขันเทาว่าหลงดินเท้ากับว่าหลงน้ำว่าหลงไฟหลงล้มคือกันน่ะอขันเทาลูกเท่าดินก็บลู่เท่าน้เท้ไฟเท่าลมคือกันน่ะอ้อ คนร <c oughs> ู้เทารู ha ้เท่าเกิดเท่าก็รู้เท่าตายเข้ากันเนาะคนเทารู้เท่าได้เทาก็ต้องรู้เท่าเสียคนเทารู้เท่าเหตุเท่าก็ต้องรู้เท่าผลเหตุมันไม่จากผลแน่โอ้ผลมันม่ตัดเหตุแน่สร้างเหตุตงแล้วมันได้รับผลหลงสากระซาหลงเหยียบไฟกระซาก็เป็นตัวเหตุเหยียบไฟผลของเหยียบไฟก็บหอดมาอยู่สิหลงเหยียบก็ตามผลของก้อนหลงเหยียบก็ม้อยู่ที่เกาเนี่ยนั่น เหตุข้าพนมันสร้างขืนกระชิตใจของไปรองมันนี่นะสร้างขืนดินฝ้าอากาศว่ไหนมาสร้างอะไรสร้างเหตุอันไรขืนแล้วก็แก้เหตุจะขอใ้มันอะไรที่สร้างเหตุบาปขืนแล้วก็แก้บาปให้มันอะไรที่สร้างเหตุบุญขืนแล้วก็พระเจ้าห้ามท่าบุญที่ผู้พยาห้ามกับเป็นผู้นี่ผู้สร้างกับเป็นผู้นี่เพิ่นว่าคับไปแล้วเลยผู้เฮี้ยนกับเป็นผู้นี่ผู้เขียนกับเป็นผู้นี่ ผู้อ่านกับแม่นผู้นี่ผู้ลบกับแม่นผู้นี่ผู้ทองผู้บนกับแม่นผู้นี่ผู้สิร่วงละเมิดกับแม่นผู้นี่ะผู้ที่ปฏิบัติต่อปฏิทินกำลังกับมันผู้นี้คนตายเนี่เขียนมาเป็นเขียนมาเป็ีนได้ฟังบาเป็ีนได้ผู้เทศเอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังฟังเทศก็ฟังใจกันเดียวกันนะว่าสัตวจะไปทั้งบนทั้งบาปแล้ว ตั้งแต่ไกิด อ, อ, อ่า น, น, นาเอาอะบน้ะอ่าโดนอเ่าเอายาถาว า, าริวาผา้ลาวบริบเรนที่สางลังเอวมือวิถินางเปตานังอุปการปิอิชิตทางปจิต่างทมหังเกปเมวัตเมจตุทัเพผู้เรนทัวชังกรปาจันโทพนารโชยธา มณิโยที่ระโซยัตถาเจพิโยวัฒชนทรัพโกวินัตาเทภวตอันตรายโสุขีติายโยโกภวะพิวาทนสีนิสัิจามุทาปจายโนจะตาโรตัมมาภัทันติกายุวโนสุขังระหลรผู้ให้พ่อนใกล้ตายแล้ผู้ให้พ่อเนี่ยใกลตายแ้วเจ้าให้พ่อพดอะร โทษตะมวลโโทะดะโกโทะะโกโทะะโกโทะะโกโทะะโกโทะะโกทตวทโทมะโกมมะมวะด อ๋อผ ah ู้ใดจะวายังเราทที่หันอย่างเาล่ะหรอ่หอเทียวปวดจากว่าอย่างกรมีปักกูชื้อขอถามไปกูว่าจิถามเพิ่นกูไปหอดเพิ่นมูบ่อม่วยให้กูกูว่าจิถามเนหนางอดเจ้กูเป็นท่ถามให้ิีถามให้ที่บอย่งเาสำคัญส่วนตัวของอันละตัวคัของอันแดกกับว่าก็มีทิศตัวคำ่คัดของอะไรออกไป มันแจงยังปลาไปแหละจะคัดของยังแมนนเออเออไมคัดของอ่ะเปลาไงสีละขันหมวดสีนเอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว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 มัดเขานาน่าภายนหันตาหูจะมูกเล่นกายมันเป็นธาตุดินมันเป็นดินเป็นรูปประโลกเป็นรูปประถ้ำใจเป็นน่างมาถ้ำพวกนี้อยู่แต่อำนาจอั น, นิีจังมั่นนี่ยย้สุดเรื่ อ, อั น, นิจังทุกขรั้งกันาตา นั น, นะตัวศีลตัวธรรมที่ตัวปัญญาไปร่วมพี่วัน่ะแปมือที่พระธรรมขันก็นกนไปร่วมพีวน่ะมาข้าหมอ้อวากิดไปเทิงไปไปเบิ่งไปตะกวดลงไปสัส้าๆเดี๋ยวมาไปไปเอาไฟฉายไปไปมีไฟก็เปิดทิดไป เอาหนังสือมากเกี่ยวใหม่ไว้มาทนายหนังสือพวกพวกรุงเทพมีกี่คนอย่นี้คนฝั่ไหนยกมือขึอ้นยกมือขึอ้นยกมือขึ้นคนกรุงเทพนี่ฝังภาคอีอ ส, ออสอ า, า, านออกไหมฮะออมมฮะ โอ้มอ oh oh, ันจะทําหม่ไปั้นเหรอเอ่อสบายเี Turn ่ยมเลยท่นไปไม่นานที่เป็นยางไงครับผมอาจารย์นอกนอกกรุงเทพจังหวัด อันเที่แล้วคุณอะไรอันไม่ได้บวชว่าเพื่อหาหลับอายุหาชั้นเสือเนี่ยไรเพรจุบันนี้คิดเพรจุบันนี้ถ้าอันไหนที่รุ่นพนว่ากขากาะว่เสียข้าพระเจ้าองรู้ตามเป็นจริงพระเจ้าพตามเป็นจริงรุ่นพ้ตามเป็นจริงมัมีประมาณเถอดมีเจียรติชนะผลเพราะผลกัสร้างเกียรตินเดียวเกยรตนาเพื่อคนทุกนาวัตาทุกศาสนะมันชนะ เจแต่หน้าหาลาพายด์มัดแล้วเหตุไงจึงหวังผลผูกนาว า, าทาสงสารเพรเห็นภยในาวาตาส ง, งสารอย่างเต็มที่เนี่ยเห็นอันนี้จังคณะคิดเรื่องจะเห็นโลกรอบโลกอะไรย่าเนี้ยไม่ต้องไปหาะเหินเดินอากาศเบิ่งว่ายเห็นทุกคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบโลกแล้วไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศไปเบิง่งอันนี้คือยังคือ อ, อ, อนนี้จังทุกคั้งอนัตตาชื่อรองไปแล้วคือกองทุกที่ต้องไปแล้วอันาคตคือกองทุกชื่อพระท่านมาถึงปัจจุบันคือกองทุกที่กําลังเป็นอยู่เข้า่าโลกแล้วลุทีตีตีแปลผู้ยใดยับไป ทังขานโลกโลกคือสังขานสัตว์โลกคือมู่สัตว์โอกาสโลกลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกได้แก่ฉะคามาเพราะฉะนั้นขั้นคอมโลกได้แก่รูปประรมจุบขั้นและรูปประรมสี่ขั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขานโลกสังขานโลกแบ่งออกเป็นสองทังขานที่มีใจครองและไมนมีใจครองสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จังเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อโลกเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เท่ากับวรโลกแ้ ค้อมกำับลมให้ใจเขาออกเลโอเคสมเหตุสมผลอะหันสามันได้อีกกันข้าเรบยกมวยวนไปได้บไหมขันว่าปลาเนี่กข่สมเกตจนาจะกล้องเลยเออขน่าสมเกตนาจะคเกตจนาจะ้องเป็นยังไนอีกอันมูโตมันเมากันอยู่เงินมันพิดกันาย่อห้องู้จัดได้ทักนายกอ พักนายขอพักนายขอพักนายงอแต่ว่าเอาแต่คำดีมาพูดกันแต่ว่าแขนของใครของมันแต่ละพักละพักเนี่ซ่อนไว้เหมือนเหมือนเสือเหมือนแมวซ่อนเรียบไว้เอาขวามขิดตัวมาตัวกันทำไมแทะซ่อนไว้ข้างหลังสิแม่หมดเอาขวบคิดตัวเอาควบที่ขวบดีม า, มาตัวกันทะไปแทะซ่อนไว้ข้างหลังสิแน่นวปูติดตั้งแสนไว้ยังไงไมีแต่สมมิจฉาเนี่ยมเปลี่นมูโต แม่บอกเก็บบ้าวันนี้เก็บบ้าเก็บบ้าผมมีสุกคนหรอกมันป็นมันมันห่างนี่วันหรอนันนี่มูมากมัลกไปได้สิว่า่างไรลักไปทั้งดีมันก็ดีลกไปทั้งตัวไปตกเหนียววันหอนี่โรคเขานียวมันเป็นอะไรับนี่โรเขาเป็นชวนมากว่ะมี่วัดนี้เป็นชวนมากนี่วัดแตจะเป็นไลยให้ฉันพูดีวงฝนชุกในวัดาชกสารในร้อยตัวนึ่งทหายาหญ่ก็ได้เยอนี่ย แม่เรานี่ว่ามันนี่แหละว่ามันได้ว่ายกตนวเขเพิ่นอยู่ยว่าม่ตามก็เป็นจริงเลยนี่แต่มันจังม่วนว่ายันในโลกอันนี้โอ้มันเป็นยังไกันเน่ยพระพุทธเจ้าสร้างสอนมั้งล่ะอาบายมุทุกประเทศ อบายยมุขทุกประเภทเป็นมนุษย์ิบัติเป็นเทวันนิบัติเป็นพ่อมนิบัตเนี่ยเป็นนิพพานนิบัติมูฮาวเวนอบายยมุขสนามมันก็เป็นสุขทัรมตัวสุขเนี่ยไม่เป็นนิเป็นชิ้นงอนอบายยมุขอลไรมุขขมุขขาแปลว่าชิ้นพายเสียงนาเสียงปากอบายยมุขมันโมเมนต์เตมีเตล่นเลขเลยเล่นสาวกอบายยมุขอะไให้นีม่อยากจเล่นจับเข้าก่งน้ไมเขากเรื่องน้ มันไม่ยุ่งเนี่ยมีอะไม่ยุ่งไปเรียนสาวอ่ะนี้รับใบยมุกนะเนี่ยหนึงฮะว่างๆได้กว่าน้าว่างได้เหรอแค่เลือดยังก่อ แทงแค่ยังละแทงเนี่ยว่าว่าอาจหะไงปูฟังร้งปูคนโบราณบ่เข้าใจว่าแท่งนี่มันเปียกอะไรนี่ในพระสกมโอ้อันนั้นกัเป็นการพนันขึ้นกันที่เนี่ยช่วงเฮือกช่วงแพรมือไ่แม่นว่าถึงวดแดงกัดกันงวดกับแม่นสนันดูเทวทัตดูเทวทัตเนี่ยกับเปนอบายมุขที่หนึ่ง ททเทวอรัศเดว่ามันโทรัตเนี่เขาสกมุ่ยว่าในหันมีตัวเระล่ลงข้แนนกันสามตัวเรามืม่อตัแม่น่พระิสระแม่นมอว่ามันเด้งขึ้นนํเาเขาเหมือนหมดโทษโทรอรหั์กับแม่นตัวนักมุวยก็มีตัวทีหรือว่มีนะ <c oughs> แต่เขาล่ลงคะแนนกันอีกเมื่อตอันนั่นแล้วเทพอรัตเดิมนําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคนชั่วเป็นมิจฉาข้านทางานในทางที่ชอบ หรือหน้าเมามีทวดถกเสียทรัพก่อการทะเลาะว่าเกิดโรคท้องตีเตียนไม่รู้จักอายถอนกำลังปัญญาเที่ยวกลางคืนมีทษหถกที่ว่าไม่รักษาตัวที่ว่ารักษาหลุดเงียบที่ว่าไม่รักษาทรับสมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความด้วยความระหมาดมากเที่ยวดูการเล่นมีทวตามวัตถุที่ไปดูหกกรลมที่ไหนก็ไปที่นั่นดีสีทีหลอดที่ไหนก็ไปที่นั่นเพลงที่ไหนก็ไปที่นั่นกระเพาที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนก็ไปที่นั่นพบคนชั่วมีททตาามบุคคคลลลี่รองงงใใหหห้้เเเเปป็็นนนนนัักกญิ นำให้เป็นนักเลงเลขการพนันนําให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอมนําให้เป็นคนโกงเขาเชิงหน้านําให้เป็นหัวไม้เกลียกข่อมทํางานมีทั่วถกหนาวนักเรามาทํางา น, งานร้อนนักเรามาทํางา น, งานยังเช่าอยู่แล้วมาทํางานเวลาเย็นแลเรามาทํางานหนียวนักเรามาทำงา น, ล, า น, นละหานักเรามาทำงานผู้หวังเจริญไปพบกระทับจงเล่นเหตุเครื่องคิดหายหกประการเหล่านี้เสียหนักเราพุทธเจ้าสอนโลกสอนขัดปัญงาราพุทธเจ้าใครที่ไปสอนโลกเก่งวันพระองค์เจ้า ลัทธเทวมนุษย์ชาตงเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายแล้วตรังคุณยักเกตตังโรกัตสาผิดเป็นนาบุญของโลกไม่ใช่นาบาปของโลกคำสอนในพพุทธเจ้าสอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจะมาตั้งรอยโกดกาัาเมื่เพียนพร ะ, ระบอกกันก็คือมูเฮ้ามูละเฮาเปลี่ยนพรอ ะ, ะบอกกัน เ, เยอรมันเหมือนกันพรเจาเจะกลงมูเฮา ผมเป็นว่าบอลญิวมันเมื่อวันเพื่อนเปียนเนี่อนโลกเร่งว่าสัทธาที่เอาโน้นทามันคือสอนของเทวดาแล้วโน้นทารายเว่าไหนวาสิมาลำเอียงสอนประเทศไทยเลยวาสิมาลำเอียงสอนประเทศอินเดียวันเหรอเขาพุทธเจ้าออกมากินอะไนได้ทำให้โรคระบาลปุ่มคลองโลกสองอย่างความลอายต่อบาปความกลัวตบาบเท่านั้นจะปุ่งคลองโรกได้ถ้าไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาบแล้วกฎอมายก้อหมูก้อนักก้พวกก็ตั้งไมาอยู่ อูองทาไม่นาคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพยงเองอาศัยทำความชั่วไม่ได้ก็ไปทาในที่ลับนักเพิรนโมเดีรว่าลูกระเบิดนิดวเคลียร์เพินโมได้ว่าเน่ลูกระเบิดปรมาณมูเพินมได้ว่าเน่เพินว่าเอากล่มระอายต่อบาปหัวต่อบาปเป็นที่พ้องอลูกพระพุทธเจ้านักกลกันเมื่อขมัหอนักนั่ น, นละ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปได้ไหมั่วมวลก็ตั้งเทพวัาเฉียงต้องอยากรักพระมหากษัตริย การดับทุกข์มักแปดสมาทิฏฐิปัญญาอานิสงส์คือเห็นอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยในโลดมัดทุกขเป็นผลของสมุ ท, ทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมัดเป็นผลของนิโรธมัดเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกขเป็นอารมณ์อยู่ สมุทยัยความทะเยอทะยานในตัณหาทางฟวง ก, ก็ค่อยเบียดกลวงข้ามเบียเลยไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทุกข์หรอกปฏิบัติสมุทัยแล้วปฏิบัติมรรคหรอกปฏิบัติในโรกอันนั้นมันเรียงเบียดกันถัดสายออกเฉยแล้ว เ, เมื่อเราเห็นทุกข์เช่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เห็นทั้งอดีตทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันด้วยที่เข้าใจผิดมันก็บรรเทาลงความทะเยอทะยานในโลกทางฟัวก็บันเทาลงเมื่อความทะเยอทะยานในโลกมันเทาลง สมุทัยได้ตัณหาก็ทะเยอทะยานตัณหาคือความทะยานอยากไ้มีรูปะตัณหาสัพพะตัณหาสัมชชะตัณหารัศตัณหาปัจจักตัณหาธรรมะตัณหาเป็นต้นคือทะยานที่ทะเยอทะยานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัพพะในธรรมารวมว่ามันเป็นตัวปูของปูนี่สําคัญเมื่อสิงเหล่านี้ระงับลงแล้วตัณหาทั้งหลายก็ระงับลงมักก็จะเดินไปในตัวมักก็เกิดตัวเหตุผลก็คือผลของเหตุคือนิโรธมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธ ทุกเป็นของควรกาหนดรู้สมุทัยเป็นเหตุให้ละกมากเป็นของเจริญนี่รอเป็นเหตุที่ทําให้แจ้งมากก็คือศห็นสมาธิปัญญาเรานี้มักแปลมีสมาธิสมาธิหลังกระโปงแปลว่าดําริชอบดําลีในออกในอาการจะจะออกจากตามเลยดัมลี่นการไม่พยาบามบําริมลในการไม่เบียดเวียนสมาว่าซ้สำซ้มา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปะเป็นตัวปัญญาสัมมาวายาวาจาชอบเล่นจากวสีสุจริตสี่พู้เท็จพูดจาเสียพูดคำหยาพูดเฟอร์เจอสัมมากรรมันโตทำการงานชอบเล่นจากกายทุจริตสามเล่จากข่าสัตร์ซักซักประพฤติในกามเรียกว่าการงานชอบสัมมาวายา ม, มูพยายามชอบ พยายามสัมวราราบทานเพียรระวังมาให้กระบาศเกิดขึ้นในสันฐานมหาราทานเพียรระบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันฐานอนุรักษนาภาทานเพียรระบากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อความเพียรสียังนี้แต่คมเป็นชอบควรประกอบให้มีในตนย่นความเพียรลงมาเป็นสองเพ่ละชั่วทําดีเพียรละชั่วทําดีย่นลงมาเป็นสองท่านเข้ามา สมาวายยังวะสมาสติระลึกชอบคือรลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่พิจารณารเป็นอารมณ์ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่กายานุปัสนาพิจารณารเป็นอารมณ์ว่ากายในภสษาว่าการไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาสติตำรวดพิจารณาเวทนาคือถูทุกข์และไมกไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ภาษาว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนา ที่จงอาใจที่เศร้าหมองหรือปอกให้เราเป็นอารมณ์ว่าใจนรือภาษาว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิดการโัษณาพิจางอาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บงังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ภาษาว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาโดยใจความก็คือพิจารณากายเวทนา ค, คิดทำลงสู่อนัตตาทำไม่ใช่สรมไม่ใช่บุคคลนะสัมมาสติแล้วชอบสัมาสัมมาที่ตั้งใจไปชอบเจริญฌานทั้งสี่มาถมฌานสติฌานสติฌาน ซึ่งเป็นอารมประชานอารมประชานก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นนะแปวนะแต่สายสมาสติสมาา ส, สมธิเจริญฌานที่ในในองค์มรทั้งแปดนั้นเห็นชอบดำํำริชอบสงเคราะเข้ า, ขาในปัญญาสีขาเจรจายชอบกำลังงานชอบเรื่องชีวิตชอบสงเคราะห์เข้ า, ขาในสีสีขาเพียงชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในยิด ต, ตาศงสขา ที่นี่สมาทิติดย่นออมาเอกเห็นชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาสังปกปะดำริชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาวาจาเจรจาชอบบอธิกรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้สารรมากัมมนโตการงานชอบคือพิจารณากรรมฐานที่ตั้งไว้สัมมาสติและลิกชอบ คือระลึกในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายเดียวกันเพราะย่นลงมาเนี่ยย่นลงมาในทางปฏิบัติ น, นักแปดก็เป็นเชือกแปะเดียวถ้าเราไม่ร่วงละเมิดสินถ้าก็เป็นเชือกข้าเดียวดวงลนว่าเป็นเกลียวเดียวกันเป็นเชือกข้าเดียวสินสมาธิปัญญา ก็ยน่นลงมาเป็นสองกายกับใจยน่นวายเป็นสาวกายวายกายใจยน่นลงมานี่ถ้ายน่นลงมาเป็นหนึ่งก็เอกันเนี่ยบาปคือชิตใจมโนคุฟังเข้ามาจะมามโนเสื่อถ้ามโนยังทำทำั้งหลายมีใจเป็นใหญ่จะมีมากมีน้อยก้อนมากก้อนน้อ ย, าอยจากใจบุญจะมากก็บวกอกอกไปจากใจบาปจะมากก็บวกออกไปจากใจคูณไปจากใจนี่พิจนาเนี่ยทางยน่นที่พูดเมื่อกี้พิจน า, าตามปริยัติ ปฏิยัติก็ยัดเข้ามาหายใจปฏิบัติก็ปฏิบัติใจปฏิเวทก็ผลของการปฏิบัตินะดลบังวนนี้เองขยายก็ต้องมาสงสัยในยการขยายย่นก็ไม่ต้องสงสัยในการยน่นจะนับแต่หนึ่งถึงหมื่นก็ตามก็นับออกจากรักหน่วยถ้าจะย่นลงมาก็ย่นลงมารักมารักหน่วยไะถ้าประทุกย่นลงมาหาเอกทุกออถ้าปัญญจังย่นลงมาหาเอกปนญญจังถ้าปัญตา ย, ย่นลงมาหาเอกตาในปัจจุบัน ครับตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันมาเห็นทุกใปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยนี่คือตัวศีลนี่คือตัวสมาธินี่คือตัวปัญญาตัวศีลก็ตับศีลลงในปัจจุบันตัวสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันตัวปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันนั่นตกลงศีลสมาธิปัญญากลงกลื่นกันเป็นกองทักษะทำอันเดียวกันถ้าำมาอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะสิ้งความสงสัยไปได้นันถูกไหม ข้านราก็ทําได้ไม้คัดค้องทันที่โตัวขัณฑมาสะสังบันทิตย์เป็นผู้คองเรือนับแก่พระสวดา์วันเป็นต้นไปทันที่ตัวขัณฑมาวะสางบันทิตเป็นผู้คองเรือนับแก่พระสวดา์วันเป็นต้นไปถ้าใครอยากจะถึงพระสวดาวันก็ไม่ยากไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสินท่าไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดอบายยมุขไม่ใช่ได้อยากค่าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่องสารที่ตัวข้าตัวเป็นอาหารค่าขายน้ำมันค้าขายยาพิษไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิด ถ้าเช่ได้อยากร้องละเมิดไม่ใช่ผสดาบันสิ่งที่เราไม่เชื่อได้ยอยากร่วงละเมิดมันก็ปฏิบัติไม่ยากเนอ้อสิ่งที่มันอยากต้องการร่วงละเมิดอยู่มันก็ปฏิบัติยากเช่นน้ําน้าลายเจียวเราเบื่อทิ่งแล้วเนะ่ะเราไม่ระวังสูสูระวังกูเนอ้อกูจิไปเอาน้ำลายมาอมอีกเข้ากับวะเทวามีนบอเขาเห็นว่ามึมีประโยชน์ขับแม่เราเขาก็ถิ่มเขามาเชื่อได้ดแม่บออามายังุกคืบกันเลยแหละข้างนอกเห็นว่ามันเป็นทางชิดหายดิ้งลงไปแล้ว ผู้ใดมาส่วนถ้าประเด็นกับมือหนึ่งกอดพวกเสามือหนึ่งถือผาอโมแล้วเว้ยอันนี้ตัวจะคล้องว่ามันสีได้อยู่สัที่แต่ความันจะเสียห น, น, น่ะันม่นะบอกัดไม่นบอกอ๋อการเท่าถือว่าคําสอนอพระพุทธศาสน า, า, าเนี่ยมันเหนือคําสอนได้ไปทักปวงแล้วการเข้ า, ขาราพาษาษาษาพุทธศาสนากับบริการอันนี้สามีพูมาว่าแม่กวนอินไปนยั่านแล้วกนแตัวนั้นเลขสออกเพราะเขาไปแก้ยุบแล้วแรงไปแก้ขเขากสั่นวเว้ย ถ้เาซื้อว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเหนือคำสอนอะไรทั้งปวงการปฏิบัติพุทธศาสนามันก็ับราํำบากเทาซื้อพระพุทธศาสนาเือยุติารยึดนรรมเล่าให้เนี่ยอริยธรรมเอขีดตัวนน้นโลอริยธรรมคือทำมันประเสริฐที่นวราชชนพุทว่าสันยพุทธเจ้าองร่งฟฮามันเนี่น้องกัมมิชิตปฏิบัติได้ดแม้ว่ามันกมมิชิตทั้งกิมูิมูดนี่แมงมู้ผู้แมงเพืงมันก็มมิชิตทั้งกินเกสอนอใหม่ที่วางมันก็ว่าประชาธิปไตมันแมงวันแม่งม มันก็ว่าทางคมนี้ยมมันาแม่ท่านบอกมันก็อ่างขึ้นกันมีแนวอ่างด้วแม่งพูดแม่เผิ่อมันก็ว่าประชาธิปไตยมันคือกันมันก็ว่าทังคมนี้ยมมันคือกันว่าชาวเฮ้าเชื่อคาสอนของพระเจ้าโดยแยบคายละปฏิบัติมันก็บ่อยากเลยเฮาปฏิบัติหน่อยก็ไม่ท้องเฮ้าปฏิบัติหลายก็ไม่ท้องเฮ้าเลยฮันเจมีผู้บอกว่าลัทธิหน่ดีก็ที่นี่เฮาฝันวันไว้ไปสาปไนไม้สักขีกวยมันกับของงา ยักษ์เยอ่อนในตัวอ่อนในวันเนี่ยผีก็จยากได้พระพระพุทธเจ้กจเาก็อากถือขันเทวดาเทวดากระอยากถือขันโสดีเลืกเ ล, ลือดดีย่ามดีก็จยากถือขันหลายถืออะไรแล้วยรุดมือตายไ <c oughs> ม่นบอกเอ้าถามอะไรกั บวชว่าสำคัญเน่โมบวชก็ไม่ยงผู้บวชมาและผ้า <utterly> เ <amazing arrivé> ขาเียเรีนเรียพระกับสูโตรักษาเชนาอยู่วะได้เเดี๋ยวว่าองสนว่าเดี๋ยวว่าองเสีเนาะโมสำคัญเน้บวชเน่บบวชก็ไม่แย่งเลท่านทั้งหลายว่าอยากบวชก็ไม่แยงดอกว่าสันคันมูัตบวชมดไปสิสบายใ้เขากินสันพระพุทธเจ้าเนว่าสันเโมตสามารถีได้พระสวดาบันชักขาค่ามีอาณาค่ามีอรหันยูโมตวก็ได้เดินว่าองสันของเจ้า นะครับสมาที่ตั้งกําหนดนลมหายใจเข้าออกเพราะเราไม่ได้ซื้อแต่ข อ, อกับใครยืมลมมาหายใจเข้าออกบ้างเขาไม่ได้บอกของเรามีอิสระอยู่ถึงเราจะตั้งใจกําหนดหรือไม่ตั้งใจกําหนดมันก็หายใจเข้าออกอยู่แล้วนียมันองมีอยู่แล้วพุโทโธพุโทโธในใจจะเรี่ยนไม่กระลุกเวลาหายใจเข้าออ เวลาหาใจเขาร่มกระทบนี่ร่ำ ว, ว่าพานดั่งจมูกสืบไปพานใส่ร่ำออกว่าพา น, นสืบพานใสก็ต้องก็จองบางอย่านี่เจ๊เน่ยเพื่อนจังไห่ของจังาาทานีานี้นี่เสาชิ้นชาติมันเป็นกุโปรมากเสาอสาตุตซาเขาก็ป่วยไปควยมาเยอะเสเขาเห็นมีป็งนมม ง, ง่ายมากหมอบนี้ เขากลัวพุ่นจะสุดแนมกับเวกปีงนะเขากัวรางีก็บแนมกับพวกปงว่าเแนมจะมันมัน่านไงนี่นี่คลัดไ้สมาที่อันกวคือเขาเรียไม่ไงสิเขาดึงสั่นดึงแง่ก่อนหจักอันอันนี้คือกันเขาห้าวใสัตจ์ใยแง่่อนหจักเ้าต้องการเห็นมันก็ต้องเห็นเขาเข้ามันมันดังมนุษย์ได้กับว่ามันดังหมาไงหมูเอกเรลียวว่าดังหมาแง่ลมกินอุจจาระกันสิ ถือกินของแย่หเฮมันมัเหลือก็ใสเลเฮ้เห็นเห็นอยู่นั่นเว้ยถ้าปการนั่นนั่นหายใจเข้านันหายใจออกนั่นหายใจเข้าหาใจออกหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทษอะไรเพื่อจะลูกยิดใจให้มันดูเพ่ให้มันยุดนิ่งดูถ้าม่ปลูกยึดใจมันแย่มันไปปั่นลี่เต้นงานนั่นเต้นงานนี้ถ้าเราพัดอ๋อความตึกเป็นเครื่องเครื่องสัญจนของโลกนะครับคนที่ชอาความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกจะใช้การกินยุดได้มันแย่หามเบรกมันแล้วะ จะปล่อยให้มันไปลายกปรายอยู่แสมาชิสมาชิกกับชาตอันเดียวกันชาติานั่งกันชาตินั่งกาบตัวพ่อกรเธอชาตนั่งแปลวล่าเส้นอยู่สมาชิงแปลว่าตั้งมั่นในการเส้นอยู่มีพม่ายอันเดียวกันคือมนุษย์ต้องนพนจามีตพม่ายอันเดียวกันนั่นกลัไป ทำไมเขาใจว่าคั้นสอนในไตโลู่กระทาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกินขั้นสอนในภูตศาสตร์ศาสนาวัดมตัวกข์อะไรเงี้ยยังเกินอ่ะเชิมเทียดนั่นสิมีเชมคิดตนมีทีร่างงาดเขาไปคิดแต่ทางการคิดแล้วหมดทั้งใหทั้งั้อะไรก็เป็นเงินเกินขั้นอนภูตศาสาโดยมีตัวน้ไม่ไม่ขึ้นอ่กยูไม่เกินยูไม่รู้ กางตัวแชกาทมันก้องกางๆพอเขาเงินกับกางล้วตัวแรกว่าทามั้องกางอยู่ที่ละห้าในมโตต้องใช้ในห้าวันอ่ะมันติดมือห้ามันสิดเสียเทียวเด้มันประกุมเลยเนี่ยเองเห็บเบวาวองใช้อะไรเห็ว่าสาม ก็มีอะไรก็จบกำมือนางวัตถีโลโขสรวงก็เป็นไจตามลำขามันรามีของสัวนมันกับพวงจักของดีเห็นว่ามีของดีมันกับพวงจั๊กของถัวมันกับืด็กมาแต่แก่พันไสออโร่รองแต่มาแต่สางโลมาเคลืเบิ้งพระโคตรเจ้าพระเทพวัรเป็นพื้นที่าั่งพึ้นผ้าแต่แท่ เป็นพีเมี่ยเขาพระองค์เจ้าหรยังมาเปลียเนพระองค์เจ้ามันโมนาทีเป็นไปเนี่ยมันใช้คำเปิดเ mm ี hmm. ่ยว่าอย่างไรอีส right. ่นนี cool. ้ว really mm ่ากรรมของเขาพระเทวพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธะหรือยังถือวาขาพระพุทธเจ้าเนี้ยแน่แล้วพอสามาเสด็จไปศาสนาอนุโมทนาตัวนนแต่ว่ากรรมของสัตว์มันพลาดไเปนไปคือคนดีนี่ตยังไม่สูงไม่ตามไม่รุ่มไม่รอนมันเปลี่ยงเ็่เพียงกันี่จิตใจของสัตว์เือกันไงกับ่ ทำ ม, งง ม, ม, มันเนี่ยนะมันก็ตโลโก้สลกอปไปๆเรกันเมตตาเข้ากับเมตดแล้วมันบ่ได้ผลกรุนหน้าตอนนี้ท่าถูกเข้ากับกรุนหน้าแลว้วมันก็ไม่ได้ผลตอนนี้ทําถูกเราก็มุ้ิตา่ตาค่อยๆยันดีมะเฟือนได้ดีเนี่ยมันลกทุกในยากเข้ากัพันยากรุหน้าเพื่อจะวลผขวาย ด, ดึงออกมั น, ววกนแล้วอยาใช้โอเบีขาท่านเลยข้อมองหานก็ไม่ร้ายหนาอยู่ กบสัตนอตอนนี้มันหล้วอยู่ใครหรอพระพุทธเจ้าที่สัตล้วพระพุทธเจ้ามาแะสัตจละพบหนึ่งน่ะเอาข้นวันมันวันไหมื่อไได้เพียงเขาัวท่านขนหัวมันไปใส่เมื่ัไแร่จะจะะยุรพระพุทธเจ้าพระอนุนึงถามพระพุทธเจ้าว่าอันข้นสิไปสุขตี้ยมันม่หลายันไหนคนหน่อยว่าสัตตอมาไม่อี้ อยดินติดมากนี่นี่อะไร่ันสู้ยกกันดินลายปรดี๋านเปิดมาเสียพระพทเจ้านั่นสัสตัวนี่มันจะไปพันยาพานมัดเนี่ยมันจะมัดตัวเป็นมนุษย์ตะกอน่ลูกนปู่ปีดมันถังมันทำไม่เขี้ยวจะก็พระเจ้าองค์ไหบุ๊กจะพระพุทธเจ้ารองไปเนี่มากกว่ารอยโกด้วยถึงมาเอกมากกว่ารอยโกด์เนี่ยทั้งนี้พระพุทธเจ้าถึงมาลายแต่พอะรัพย์ทางลายมันยังมีเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หิวไปหิวไปเลยเสี่ลละ พอเขาหัวจนผลว่าก็ฝากพระพุทธเจ้าองค์อื่นไว้ตะพื้ตะพื่นไว้แล้วเดี๋ยวตองขั้่เย็ดหน่งไลการนับออกจะว่ามันได้ไหรอือวนาอะไรมาได้ก็ว่าได้นับว่าัก็ก่แต่กระมูอไผ่มือมั่นนี่พานผู้มันสามดอกบัวดอกบั ว, บวใต้น้ำ คำพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าดอกบัวซีเหล่านีอยู่ทุกๆสมัยดอกบัวซีเหล่านะดอกบานกับบานเต็มพุ่มดอกตูมตูมเต็มพู่มดอกสมอหน้ากัสมอหน้าเต็มพุ่มดอกใต้หน้าก็บใต้หน้าเต็มพุ่มดอกบานเต็มพุ่มคือพผู้คนผุยไปไปแล้วดอกตูมเต็มพุ่มไมว่ามาปูตะเกียบตะกายตะกลบนอยู่ดอกสมอหน้าไม้กามากําลังปฏิบัติศีนธรรมดอกก็ใต้หน้าถือว่ไม่บาปมีบุนแล้วไม่ใช้อันเป็นพักคาถาแ่งฝ่าในเตาคนเรา ดอกบัวกอวเดียวนั่เขาอุปมาคือคนในโลกนี่นกกแหะแต่ละดอกเขาอุปมาแต่ละบุคคลแต่ละกักแต่ละวเาองท่นเอาหลดมาไม่ยุุกยุสมัยยุคพระกจิกกจจกรเขาไม่ยุคหนึ่งยุคนี้ง็มาอยู่มันก็ประจําโลกท่านมันก็เลวไวไี้ยไม่ใช่ทัานมันเป็นไอ้กินใช่หมทัานคือเพื่อนนี่นคื้คนถามนี่และเอาคู่ว่าอาจารย์ไปขายขุคขายกินท่านคคนเขาว่าให้ท่น เข้าไปว่าเขาผู้เขาเป็นปรชตเขาก็ว่าเขาเป็นลูกชิพระพุทธเจ้าเลือดศิวะอย่งไรคับเลือดศิวาอย่างไรแล้วมันเหลือวิสัยอย่างไรนดีคนดีทำไง่ายก่นดีก็อนก่ซัวคนดีทาไงง่ายก่นซัวคนซัวทาไงง่ายก่อนซัวคนซัวทำไง่ายก่อนดีกนซัวทำไงง่ายกพวนดีคนดีทำไงง่ายก่นซัวคนดีทาไงงายมันจับกันอยู่อย่างไรมันจะเป็น่ยนนะครว่าจะภาดสามันจะเหลือวิสัยอ่านี้ พี่สามพี่แล้วเสมาเราจะพาเราหนังแล้ ว, ลวก็คนผ่านชาติาติเป็นเม็ดฝนวันพุธหรือเปล่มามันจะมีควนผ่านไปจำโลกนึกจะคิว่าอย่างไรต า, รตตต า, ารลักแตกตาใบเสียหรือเอาเดี๋ยวจะใช้ถืเบอร์ออกน้อก็ถามน้องกู้คุ้ขังน้องกูลเราไปพวกเยสทางงานสมัยนั้องกูอายุชี้สิาเดี๋ยวน้องแตกกรางทานาารท่านการย์กอพรวันบัตนมาถาม มหาเนีนิการชอบธรรมยุธ์มนเป็นยังไงใครดีก็นายดในายแดงก็ใครดีนายแดงทาผิดนายแดงก็ผิดทำนายแดงทำถูกนายแดงก็ถูกนายดานายแดงใครใส่ใส่ชื่อให้เพราะว่านายดำชอบชื่อดำชื่อแดงฉันนายก็มีสมยุทธ์ก็ชอบชื่อสมยุทมหาเนียนิการก็ชอบชื่อมหาเนีิการเพราะเราม่ศาสนาม่ยืนยันว่าธรรมรมยุธเป็นสาวบของเราไม่ได้ยืนยันว่ามหาเนี่ารเป็นสาวบของเราู้เป็นเจโนพระโสดาราสักทาธรรมนาามเนีเท่านั้นเป็นสาวกของเรา ยืนสาวพระครอตัวเศ้าพ้าโศนี่แล้วสาวพรองพูดเลยว่าเจ้าท่านพูดอย่างนั้นถ้ามายืนอันว่าสายนั่นสายนี่ทำไมยุ่นเรื่องอานี่ายเป็นสาวพระครางทัดตอบมันนี่ตอบเพระถือกระปัตถื็เส้นะ่านเราพูดยาวที่เตอบไปทีแล้วแล้วผมวัดพวกเราเออพวกอย่างนี่พ่กนี้ไปเยี่ยมผมนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะไปเพราะีเวื่องอยู่านเดียวกันก็ยาแล้ว ข้าเอาพระพุทธเจ้ามนว่าเป็นอย่างยางจ้าาราข้าวดีทอเพินอืมข้าเอาข้นพระเราข้าเป็นอย่างย่างข้าวบชัวเขาเาทำ้นเทือกันงไรสั่นงงสั่นอรร่นะว่าคนข้อนข้าสิดปาดสมรกันยังสั่นแล้วเข้ามาเป็นพระพุทธเจ้าสันเข้ามาเป็นพระพุติเจ้าแต่เอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างย่างเข้ามาย่งบดีทอเพนตัวเอาคนเสมอเข้ามาเป็นอย่างย่างข้าวึดดีกว่าข้าได้มาเป็นอย่างย่างข้าวขมบดดีทอเพินตัวเอาคนเสมอเข้ามาเป็นอย่างย่างข้าวข้าวบดแรงตำ เป็นอย่างยางเข้าแผนแห้งตอกเพควรเป็นต่างันเทือกหนนอกกว่าสั่นคุณะสำหิบัติในเตืออาจาร์ปฏิบัติไปเลยก็ว่าเป็นพระหารหนักสมาสิแต่จริง่าก่นไ่ได้เป็นพระหารพระอณาคามีพวเอาอายตว่าคำว่าได้พระอาคามีพระสกทาคามีพวเอาคำว่าได้พระสกทาคามีพระสวสดาวันพ่เอาคำว่าได้พระสวสดาวันไปเทวโลกพุมรรกหรือกำลังทานพ่กเอาคำว่าได้ไปเทวโลกพุมรรกหรือกำลังซานกไปเป็นมรุษน่เพลินพวกเอาหรืองที่เอาไปจะโต๊ะมอนพก่อนท้าว ข่าเาอันทุ่เฮ็ดไปก็เฮ็ดนาท่านเฮ็ดว่ได้เป็นมัดเศรษฐีอกไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ม่ธยีก็ไปขอพระจินรับพระจนบอกว่าท่นตัวี่เงี้นว่าเงียนไปเงี้ยในก็ไ่ได้เป็นรับธรมมัธีหอกไ่ได้เป็นรัรมีก็เเงเดียวทีพัฒนาพัื้มือหนึ่งน่ก็เอาหรือดีดีถึงจะีไปเจาห้าเรียนโบกันอกของวางเลยว่าเงีนว่าตัเงี่นมาลองท่ ได้เินเงี้ยได้เงิน้บอวเด้กเกิดได้เงินได้เินเอาใจเงี้ยถึงวันเด็กเกิดที่นีดกการได้เฝาใจทราว่าท่นเจ้าเป็นป่วยนะเป็นป่วยนะความดุลแล้วลูกกูา